ยังมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่แต่มุ่งทำความแตกคราว่าขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมศูนย์จงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรธรรมโมโบสถยกปาทิโมกขึ้นแสดงเมื่อภิกษุเหล่านั้นกำลังยกปาทิโมกขึ้นแสดงขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาบ้างมีจำนวนมากบ้างภิกษุเหล่านั้นพึง ยกปาฏิโมกขึ้นแสดงใหม่พวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงต้องอบัติทุลใจวงเล็บหนึ่งภิกษุเท่าไรอันหนึง่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปแต่ประชุมกันสีรูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่แต่มุ่งความแตกราวว่า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 ขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมศูนย์จงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรทำอุมโบสถยกปาติโมกขึ้นแสดงพอภิกษุเหล่านั้นยกปาติโมกขึ้นแสดงจบขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นเพิ่งยกปาติโมกขึ้นแสดงใหม่พวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงต้องอบัตถุละใจวงเล็บสภิกษุทั้งหลายอั น, นึ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 อันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปแต่ประชุมกัน4ี่รูป บ, บ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่แต่โม่งความแตกราวว่าขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมศูนย์จงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรทำอุโบสถยกปฏิโมกข์เคลนแสดง ภิกษุเหล่านั้นยกปาติโมกขึ้นแสดงจบขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าปาติโมกที่ภิกษุเหล่านั้นยกขึ้นแสดงแล้วเป็นอันโยกขึ้นแสดงดีแล้วพวกภิกษุผู้มาทีหลังเพิ่งบอกปาฤสติในสำนักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงต้องเอบัตรทุลใจวงเล็บหภิกษุทั้งหลายอยันหนึ่ง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 บริษัทไม่ทนลุขึ้นขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวนัดพวกอื่นมาถึงมีจานวนมากกวา่าภิกษุเหล่านั้นพึงยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงใหม่พวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงต้องอวบตัวละใจวงเล็บเจ็ดภิกษุทั้งหลายอันหนึง่งในกรณีนี้ในวานแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้น มีภิกษุที่อยู่ในอาวาดหลายรูปแต่ประชุมกันสีรูปบ้างเกินกวาบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในอาวาดพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่แต่มุ่งความแตกราวา่าขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมศูนย์จงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรทำโมโบสถยกปาติโมกขึ้นแสดงพอภิกษุเหล่านั้นยกปาติโมกขึ้นแสดงจบบริษัทยังไม่ทันลุกขึ้น ขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาัตพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันปาติโมกข์ที่ภิกษุเหล่านั้นยกขึ้นแสดงแล้วเป็นอันยกขึ้นแสดงดีแล้วพวกภิกษุผู้มาทีหลังเพิ่งบอกปาลิสธิในสํานักภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงต้องอบัรตภรราใจข้อเลขแปภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาตแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้น มีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปแต่ประชุมกันสีรูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่แต่มุ่งความแตกราวว่าขอภิกษุเหล่านั้นจงเสือ่อมสูญจงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรทำบูโบสดยกปฏิโมกข์ขึ้นแสดงพอภิกษุเหล่านั้นยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงจบบริษัทยังไม่ทันลุกขึ้นขณะนั้น ภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าปาติโมกข์ที่ภิกษุเหล่านั้นยกขึ้นแสดงแล้วเป็นอันยกขึ้นแสดงดีแล้วพวกภิกษุผู้มาทีหลังพึงบอกปาลิสุธิในสํานักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงต้องระบาดทุลใจมุงเล็บก้าวภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาดแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้นมีภิกษุที่อยู่ในวาดหลายรูป แต่ประชุมกันสี่รูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่แต่มุ่งความแต่คราวว่าขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมศูนย์จงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรทำอุรรโบสถยกปาทิโมกขึ้นแสดงพอภิกษุเหล่านั้นยกปาทิโมกขึ้นแสดงจบบริษัทลุกขึ้นบางส่วนขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึง มีจำนวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นเพิ่งยกไปใิโมกขึ้นแสดงใหม่พวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงต้องอาวัตธุละใจบ่งเล็บ 10. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาตแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาตหลายรูปแต่ประชุมกัน4รูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในอาวาตพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่ แต่มุ่งความแตกราวว่าขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่มศูนย์จงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรทำโอโบสถยกปาติโมกขึ้นแสดงพอภิกษุเหล่านั้นยกปาติโมกขึ้นแสดงจบบริษัทลุกขึ้นบ้างบางส่วนขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันปาติโมกที่ภิกษุเหล่านั้นยกขึ้นแสดงแล้วเป็นอันยกขึ้นแสดงดีแล้วพวกภิกษุ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 แต่มงความแตกราว่าขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมศูนย์จงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรทำโมุโบสถยกปฏิโมขึ้นแสดงพอภิกษุเหล่านั้นยกปาฏิโมขึ้นแสดงจบบริษัทลุกขึ้นบ้างบางส่วนขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าปฏิโมที่ภิกษุเหล่านั้นยกขึ้นแสดงแล้วเป็นอันยกขึ้นแสดงดีแล้ว พวกอื่นผู้มาทีหลังเพิ่งบอกปาริสุติในสำนักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงต้องอบัติทุลใจวงเล็บ12ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันออโบสดนั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปแต่ประชุมกันสี่รูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสผู้อื่นที่ยังไม่ได้มาอยู่ แต่มุ่งความแตกเราวว่าขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมศูนย์จงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรทำอุโ บ, บสถยกปาฏิโมกขึ้นแสดงพอภิกษุเหล่านั้นยกปาฏิโมกขึ้นแสดงจบบริษัทลุกขึ้นทั้งหมดขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นเพิ่งยกปาฏิโมกขึ้นแสดงใหม่พวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงต้องอะัาดทละใจ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 ภิกษุเหล่านั้นยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงจบเมื่อบริษัทลุกขึ้นทั้งหมดขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าปาติโมกข์ที่ภิกษุเหล่านั้นยกขึ้นแสดงแล้วเป็นอันยกขึ้นแสดงดีแล้วพวกภิกษุผู้มาทีหลังพึงบอกปาริชิตทในสํานักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงต้องอวบทนละใจวงเล็บ15เพทาภุเร ข, ขาระ ปัรัสกะจบปัญจวิสติติกะจบ